นจรราาพะพะุทธเ้ครั้งนั้นท้าวสห บ, บดีพรมทรงทราบความรำพึงในพระทัยของพระผู้มีพระภาคด้วยใจของตนแล้วได้อันตรธานจากโพรมโลกมาปรากฏในที่เฉพาะพระพักของพระผู้มีพระภาคเปรียบเหมือนคนที่แข็งแรงเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าแล้วห่มผ้าเฉวียงบาประนมมือไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่เนืกราบทูลว่า ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงชื่นชมพิสุสงฆ์ขอจงรับสั่งกับพิสุสงฆ์เถิดขอพระผู้มีพระภาคจงทรงอนุเคราะห์พิสุสงฆ์ในบัดนี้เหมือนกับที่เคยทรงอนุเคราะห์ในการก่อนด้วยเถิดในพิสุสงฆ์นี้พิสุทั้งหลายที่ยังเป็นนวกะโบดไม่นานเพิ่งมาสู่พระธรรมวินัยนี้ก็มีอยู่เมื่อพิสุเหล่านั้นไม่ได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค จะพึงมีความน้อยใจมีความแปรผันไปพืชที่ยังอ่อนเมื่อขาดน้าก็จะเหียวเฉาแปรเปลี่ยนสภาพไปแม้ฉันใดในภิกษุสงฆ์นี้ภิกษุทั้งหลายที่ยังเป็นนวกระบวชไม่นานพึ่งมาสู่พระธรรมวินัยนี้มีอยู่ก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อภิกษุเหล่านั้นไม่ได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคจะพึงมีความน้อยใจมีความแปรผันไปลูกโคอ่อนเมื่อไม่เห็นแม่ ก็จะรองหาเที่ยวสมสารไปแม้ฉันใดในภิกษุสงนี้พิกษุทั้งหลายที่ยังเป็นนวกะโบดไม่นานเพิ่งมาสู่พระธรรมวินัยนี้มีอยู่ก็ฉันนั้นเหมือนกันเมือ่อภิกษุเหล่านั้นไม่ได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคจะเพิ่งมีความน้อยใจมีความแปรผันไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคจงทรงชื่นชมภิษุสงขอจงรับสั่งกับภิษุสงเถิด ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงอนุเคราะห์ภิกษุสงฆ์ในบัดนี้เหมือนกับที่เคยทรงอนุเคราะห์ในการก่อนด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะเจ้าสกยะชาวบ้านจาตุมาและเท้าสหามบดีพรมสามารถทูลขอให้พระผู้มีพระภาคทรงพอพระทยัยด้วยคําวิงวอนเปรียบด้วยพืชที่ยังอ่อนและด้วยคําวิงวอนเปรียบด้วยลูกโคอ่อนครั้งนั้น ท่านพระมหาโมคลานะจึงเรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายพวกท่านจงลุกขึ้นจงถือบาทและจีวเรเถิดเจ้าสักยะชาวเมืองจาตุมาและเท้าสหัมบดีพรมเดียกราบโทนให้พระผู้มีพระภาคทรงพอพระไทัยแล้วด้วยคำวิงวอนเปรียบด้วยพืชที่ยังอ่อนและด้วยคำวิงวอนเปรียบด้วยลูกโคอ่อนภิกษุเหล่านั้นรับคาแล้วจึงลุกจากอาสนะ ถือบาทและจีวรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งหน้าที่สมควรพระผู้มีพระภาคตรัสกับท่านพระสารีบุตรว่าสารีบุตรเมื่อเราขับไล่ภิกษุสงฆ์เธอได้มีความคิดอย่างไรท่านพระสารีบุตรกล่าบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงขับไล่ภิกษุสงฆ์ข้าพระองค์ได้มีความคิดอย่างนี้ว่า พระผู้มีพระภาคทรงขับไล่ภิกษุสง์แล้วบัดนี้พระผู้มีพระภาคจากทรงมีความขนขวายน้อยจเจริญธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันอยู่แม้เราทั้งหลายก็จะมีความขนขวายน้อยจเจริญธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันอยู่เช่นกันสารีบุตรเธอจงรอก่อนเธอจงรอก่อนทรรเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันจงพักไว้ก่อน เธอไม่ควรให้ความคิดเห็นปานนี้เกิดขึ้นอีกลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกท่านพระมหาโมคคลานะมาตรัสว่าโมคคลานะเมื่อเราขับไล่ภิกษุสงฆ์เธอได้มีความคิดอย่างไรท่านพระมหาโมคคลานะกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงขับไล่ภิกษุสงฆ์ข้าพระองค์ได้มีความคิดอย่างนี้ว่า พระผู้มีพระภาคทรงขับไล่ภิกษุสงฆ์แล้วบัดนี้พระผู้มีพระภาคจากทรงมีความขนขวายน้อยเจริญทำเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันอยู่ข้าพระองค์และท่านสารีบุตรจากช่วยกันบริหารภิกษุสงฆ์ดีละดีละโมคลานะความจริงเราสารีบุตรหรือโมคลานะเท่านั้นควรบริหารภิกษุสงฆ์ ภัยของภิกษุผู้บวชใหม่สประการลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรื่องภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภัยสี่ประการนี้ที่คนลงไปในน้ำาพืงประสบภัยสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. อูมิภัยภัยจากคลื่น 2. อกุมมะพีลภัยภัยจากจระเข้ 3. อาอวัตตะภัย ภัยจากน้ำวนสสุสุกาภัยภัยจากปลาร้ายภัยสีประการนี้แหลที่คนลงไปในน้ำพึงประสบชั้นใดภิกษุทั้งหลายภัยสีประการนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันที่คุณบุตรบางคนในโลกนี้มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวิ น, นัยนี้พึงประสบภัยสีประการอะไรบ้างคือหนึ่งอูมิภัย 2. อ, อุ ม, มะพีละัย 3. อาวัตไผ่สีสุสุกาภัยอูมิภัยเป็นอย่างไรคือคุณบุตรบางคนในโลกนี้มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตคิดว่า เราถูกชาติความเกิดชราความแก่มรณะความตายโซกะความเศร้าโศกปริเทวะความคร่ำครวญทุกความทุกข์กายโทมนัสความทุกข์ใจอุปายาตความขับแค้นใจครอบงำตกอยู่ในกองทุกมีทุกประดังเข้ามาชไหนหนอการทำกองทุกทั้งหมดนี้ให้สิ้นสุดจะพึงปรากฏ เพือนพรมจารีตักเตือนพร่ำสอนเธอผู้บวชแล้วนั้นว่าเธอพึงก้าวไปอย่างนี้พึงถอยกลับอย่างนี้พึงแลรดูอย่างนี้พึงเหลียวดูอย่างนี้พึงคู่เข้าอย่างนี้พึงเหยียดออกอย่างนี้พึงครองสังคาติบาทและจีวร อ, อย่างนี้เธอคิดอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเราเป็นครหอัสมีแต่ตักเตือนพร่ำสอนผู้อื่น ก็ภิกษุเหล่านี้มีอายุคราวลูกคราวหลานของเรายังจะมาตักเตือนพร่ำสอนเราเธอจึงบอกคืนสิกขากลับมาเป็นครือหัดนี้เรียกว่าภิกษุผู้กลัวอูมิภัยบอกคืนสิกขากลับมาเป็นครือหัดคาว่าอูมิภัยนี้เป็นชื่อเรียกความโกรธและความขับแค้นใจ ปุมะพีละภัยเป็นอย่างไรคือกุลบุตรบางคนในโลกนี้มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตคิดว่าเราถูกชาติชรามรณะโซกะปริเทวะทุกข์โทมนัสอุปายาตครอบงำตกอยู่ในกองทุกขมีทุกประดังเข้ามาฉนหนหนอการทำกองทุกทั้งหมดนี้ให้สิ้นสุดจะพึงปรากฏ เพื่อนพระมจารีตักเตือนพร่ำสอนเธอผู้บวชแล้วนั้นว่าสิ่งนี้เธอควรฉันสิ่งนี้เธอไม่ควรฉันสิ่งนี้เธอควรบริโภคสิ่งนี้เธอไม่ควรบริโภคสิ่งนี้เธอควรลิ้มสิ่งนี้เธอไม่ควรลิ้มสิ่งนี้เธอควรดื่มสิ่งนี้เธอไม่ควรเด่มสิ่งที่เป็นกัปปิยะเธอควรฉันสิ่งที่เป็นอกัปปิยะเธอไม่ควรฉัน สิ่งที่เป็นกัปปิยะเธอควรบริโภคสิ่งที่เป็นอกัปปิยะเธอไม่ควรบริโภคสิ่งที่เป็นกัปปิยะเธอควรลิ้มสิ่งที่เป็นอกัปปิยะเธอไม่ควรลิ้มสิ่งที่เป็นกัปปิยะเธอควรเดิมสิ่งที่เป็นอกัปปิยะเธอไม่ควรเดิมสิ่งนี้เธอควรฉันในการสิ่งนี้เธอไม่ควรฉันในเวลาวิการสิ่งนี้เธอควรบริโภคในการ สิ่งนี้เธอไม่ควรบริโภคในเวลาวิกาลสิ่งนี้เธอควรลิ้มในการสิ่งนี้เธอไม่ควรลิ้มในเวลาวิกาลสิ่งนี้เธอควรดื่มในการสิ่งนี้เธอไม่ควรดื่มในเวลาวิกาลเธอคิดอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเราเป็นข้รหัสเคี้ยวกินสิ่งที่เราต้องการไม่เคี้ยกินสิ่งที่เราไม่ต้องการบริโภคสิ่งที่เราต้องการไม่บริโภคสิ่งที่เราไม่ต้องการ ลิ้มสิ่งที่เราต้องการไม่ลิ้มสิ่งที่เราไม่ต้องการดื่มสิ่งที่เราต้องการไม่ดื่มสิ่งที่เราไม่ต้องการเคี้ยวกินทั้งสิ่งเป็นกัปปิยะและสิ่งเป็นอกัปปิยะบริโภคทั้งสิ่งเป็นกัปปิยะและสิ่งเป็นอกัปปิยะลิ้มทั้งสิ่งเป็นกัปปิยะและสิ่งเป็นอกัปปิยะดื่มทั้งสิ่งเป็นกัปปิยะและสิ่งเป็นอกัปปิยะเคี้ยวกินทั้งในการและในเวลาวิการ บริโภคทั้งในการและในเวลาวิการลิ้มทั้งในการและในเวลาวิการดื่มทั้งในการและในเวลาวิการสิ่งใดที่ปราณีไม่ว่าจะเป็นของเคี้ยวหรือของบริโภคที่ข้าพดีผู้มีศรัทธาถวายแก่เราทั้งในการและในเวลาวิการภิกษุเหล่านี้ทำเหมือนปิดปากแม้ในสิ่งของเหล่านั้นเธอจึงบอกคืนศิกขากลับมาเป็นครหัต นี้เรียกว่าภิกษุผู้กลัวกุมมะพีลภไย่บอกคืนสิคขากลับมาเป็นครหัสคำว่ากุมมะพีลภไย่นี้เป็นชื่อเรียกความเป็นคนเห็นแก่ปากท้องอาวัตไั่เป็นอย่างไร คือคุณบุตรบางคนในโลกนี้มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตคิดว่าเราถูกชาติชรามรณะโศกะปริเทวะทุกข์โทมนัสอุปาญาตครอบงำตกอยู่ในกองทุกข์มีทุกประดังเข้ามาฉะหนหนอนการทำกองทุกทั้งหมดนี้ให้สิ้นสุดจะพึงปรากฏถือบวชอยู่อย่างนี้ในเวลาเช้าครองอันตรวาสกถือบาตรและจีวร เข้าไปบินทบาทตามหมู่บ้านหรือตำบลไม่รักษากายไม่รักษาวาจามีสติไม่ตั้งมั่นไม่สำรวมอินทรีย์เธอเห็นข้าบาดีหรือบุตรข้าบาดีในหมู่บ้านหรือตำบล น, นั้นผู้เอิบอิ่มพรั่งพร้อมบำเรอตนด้วยการมคุณห้าประการคิดอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเราเป็นครหัสผู้เอิบอิ่มพรั่งพร้อมบำเรอตนด้วยการมาคุณห้าประการ โภคทรัพย์ในตระกูลของเราก็มีอยู่พร้อมเราสามารถที่จะใช้สอยโภคทรัพย์และทำบุญได้เธอจึงบอกคืนสิกขากลับมาเป็นครหัสนี้เรียกว่าภิกษุผู้กลัวอาวัตภัยบอกคืนสิกขากลับมาเป็นครหัสคำว่าอาวัตภัยนี้เป็นชื่อเรียกกามคุณหประการ สุสุกาภัยเป็นอย่างไรคือคุระบุตรบางคนในโลกนี้มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตคิดว่าเราถูกชาติชรามรณะโศกะปริเทวะทุกข์โทมนัสอุปายาครอบงำตกอยู่ในกองทุกข์มีทุกขประดังเข้ามาฉะไหนหนอการทำกองทุกทั้งหมดนี้ให้สิ้นสุดจะพึงปรากฏถธอบวชอยู่อย่างนี้ ในเวลาเช้าครองอันตรวาสกถือบาทและจีวอนเข้าไปบินธบาตามหมู่บ้านหรือตำบลไม่รักษากายไม่รักษาวาจามีสติไม่ตั้งมั่นไม่สำรวมอินทรีเธอเห็นมาตุคามสตรีในหมู่บ้านหรือนิคมนั้นนุ่งไม่เรียบร้อยหรือห่มไม่เรียบร้อยราคารบกวนจิตของเธอเพราะเห็นมาตุคามนุ่งไม่เรียบร้อยหรือห่มไม่เรียบร้อย เธอมีจิตฟุ้งซ่านเพราะราคะจึงบอกคืนสิกขากลับมาเป็นครหัดนี้เรียกว่าภิกษุผู้กลัวสุสุกาภัยบอกคืนสิกขากลับมาเป็นครหัดคําว่าสุสุกาภัยนี้เป็นชื่อเรียกมาตุขามภิกษุทั้งหลายภัยสีประการ น, นี้แหลที่คุณบุตรบางคนในโลกนี้มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตในธรรมวินัยนี้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 นาลกะปานะสูตรว่าด้วยเหตุการณ์ในหมู่บ้านนาลกะปานะกุลบุตรผู้มีชื่อเสียงออกบทเขาพระเจ้าได้สดดบมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในป่าไม้ทองกวาวหมู่บ้านนาลกะปานะแข่งโกรศนสมัยนั้นแลกุลบุตรผู้มีชื่อเสียงจำนวนมากคือท่านพระอนุรุทธะท่านพระพัทยะ ท่านพระกิมพิละท่านพระพัก ค, คุท่านพระโกนธัญญะท่านพระเรวัตะท่านพระ อ, อนนท์และกุลบุตรที่มีชื่อเสียงอื่นๆมีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตอุทิศพระผู้มีพระภาคสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคมีหมู่ภิกษุแวดล้อมแล้วประทับนั่งอยู่ณที่กลางแจ้งครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงปรารบกุลบุตรเหล่านั้น รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายกุลบุตรผู้มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตอุทิตเหล่านั้นยังยินดีในพรหมจรรย์อยู่หรือเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นได้พากันนิ่งอยู่แม้ครั้งที่สองพระผู้มีพระภาคก็ทรงปรารภกุลบุตรเหล่านั้นรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย บุตรผู้มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตอุทิศเรานั้นยังยินดีในพรหมจรรย์อยู่หรือแม้ครั้งที่สองภิกษุเหล่านั้นก็พากันนิ่งอยู่แม้ครั้งที่สพระผู้มีพระภาคก็ทรงปรารภกุลบุตรเหล่านั้นรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายกุลบุตรผู้มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตอุทิศเรานั้น ยังยินดีในพรหมจรรย์อยู่หรือแม้ครั้งที่สภิกษุเหล่านั้นก็พากันนิ่งอยู่ลาดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงดำริว่าทางที่ดีเราควรถามปุรบุตรเหล่านั้นดูแล้วได้รับสั่งเรียกท่านพระอนุรุทธะมาตรัสว่าอนุรุทธะเธอทั้งหลายยังยินดีในพรหมจรรย์อยู่หรือท่านพระอนุรุทธะกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ทั้งหลายยังยินดีในพรหมจรรย์อยู่ดีละดีและอนุรุธะการที่เธอทั้งหลายยินดีในพรหมจรรย์นี้แหลเป็นการสมควรแก่เธอทั้งหลายผู้เป็นกุลบุตรมีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเพราะเธอทั้งหลายกําลังหนุ่มแน่นมีผมดําสนิทเจริญอยู่ในปฐมวัยสมควรบริโภคกามยังออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตได้เธอทั้งหลายนั้น มิใช่ผู้ทำความผิดต่อพระราชาจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตมิใช่ผู้ถูกตามจับว่าเป็นโจรจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตมิใช่ถูกหนี้สินบีบคั้นจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตมิใช่เดือดร้อนเพราะภัยจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตมิใช่ถูกอาชีพบีบคั้นจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตความจริง เธอทั้งหลายมีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยความคิดอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ถูกชาติชรามรณะโซกะปริเทวะทุกข์โทมนัสอุปายาตครอบงำแล้วตกอยู่ในกองทุกข์มีทุกขประดังเข้ามาฉะไหนหนอการทำกองทุกทั้งหมดนี้ให้สิ้นสุดจะพึงปรากฏมิใช่หรือใช่พระพุทธเจ้าค่ะ คุรบุตรผู้บวชแล้วอย่างนี้ควรทํากิจอะไรบ้างคือคุรบุตรยังไม่บรรลุปีติและสุขหรือสุขอื่นที่ละเอียดกว่า น, นั้นอันสงัดจากกามและอกคติธรรมทั้งหลายแม้อภิชาก็ยังครอบงำจิตของคุรบุตรนั้นอยู่แม้พยาบาทก็ยังครอบงำจิตของคุรบุตรนั้นอยู่แม้ถีนมิทะก็ยังครอบงำจิตของคุรบุตรนั้นอยู่ แม้อุทัจจะกุกุจจะก็ยังครอบงำจิตของกุลบุตรนั้นอยู่แม้วิจิกกิจฉาก็ยังครอบงำจิตของกุลบุตรนั้นอยู่แม้ความริยาก็ยังครอบงำจิตของกุลบุตรนั้นอยู่แม้ความเป็นผู้เกียรคร้านก็ยังครอบงำจิตของกุลบุตรนั้นอยู่กุลบุตรนั้นยังไม่บรรลุปิติและสุขหรือสุขอื่นที่ละเอียดกว่านั้นอันสงัดจากกามและอคติธรรมทั้งหลายอนุรุธะ กุลบุตรบรรลุปีติและสุขหรือสุขอื่นที่ละเอียดกว่านั้นอันสงัดจากรามและอาุสุนธรรมทั้งหลายแม้อภิชาก็ครอบงัมจิตของกุลบุตรนั้นอยู่ไม่ได้แม้พยาบาทก็ครอบงัมจิตของกุลบุตรนั้นอยู่ไม่ได้แม้ถีนมิทะ ก, ก, ก็ครอบมัมจิตของกุลบุตรนั้นอยู่ไม่ได้แม้อุทัจจกกุกกุจจะก็ครอบงัมจิตของกุลบุตรนั้นอยู่ไม่ได้ แม้วิจิคิชาก็ครอบเมามจิตของกุลบุตรนั้นอยู่ไม่ได้แม้ความริษยาก็ครอบเมามจิตของกุลบุตรนั้นอยู่ไม่ได้แม้ความเป็นผู้เกียรคร้านก็ครอบเมามจิตของกุลบุตรนั้นอยู่ไม่ได้กุลบุตรนั้นบรรลุปิติและสุขหรือสุขอื่นที่ละเอียดกว่านั้นอันสังกัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายได้ ตถาคตกับอาสวะอนุรุทธะเธอทั้งหลายจะคิดอย่างไรในเราว่าตถาคตยังละอาสวะอันทำให้เศร้าหมองให้เกิดในภพใหม่มีความกระวนกระวายมีวิบากเป็นทุกข์ให้มีชาติชราและมรณะต่อไปไม่ได้เพราะเหตุนั้นตถาคตพิจารณาแล้วจึงเสพของอย่างหนึ่งอดกลั้นของอย่างหนึ่งเว้นของอย่างหนึ่งบรรเทาของอย่างหนึ่ ง, บ, อ ง, อ ง, งบ้างไหม ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่ได้คิดในพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าพระตถาคตยังทรงละอาสวะอันทำให้เศร้าหมองให้เกิดในภพใหม่มีความกรวนกระวายมีวิบากเป็นทุกข์ให้มีชาติชราและมรณะต่อไปไม่ได้เพราะเหตุนั้นพระตถาคตพิจารณาแล้วจึงทรงเสพของอย่างหนึ่งอดกลั้นของอย่างหนึ่งเว้นของอย่างหนึ่งบรรเทาของอย่างหนึ่ง แต่ข้าพระองค์ทั้งหลายได้คิดในพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าพระตถาคตทรงละอาสวะอันทําให้เศร้าหมองให้เกิดในภพใหม่มีความรกลงกระ ว, วายมีวิบากเป็นทุกข์ให้มีชาติชราและมรณะต่อไปได้แล้วเพราะเหตุนั้นพระตถาคตพิจารณาแล้วจึงทรงเสพของอย่างหนึ่งอดกลั้นของอย่างหนึ่งเว้นของอย่างหนึ่งบรรเทาของอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าค่า ดีละดีละอนุรุทธะตะถาคตและอสะวะอันทำให้เศร้าหมองให้เกิดในภพใหม่มีความกระวนกระวายมีวิบากเป็นทุกข์ให้มีชาติชราและมรณะต่อไปได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ต้นตาลที่ถูกตัดยอดแล้วไม่อาจงอกขึ้นอีกได้แม้ฉันใด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 เว้นของอย่างหนึ่งบรรเทาของอย่างหนึ่งเธอเข้าใจความข้อ น, นั้นว่าอย่างไรตถาคตพิจารณาเห็นอํานาจประโยชน์อะไรจึงพยากรณ์สาวกทั้งหลายผู้ล่วงลับไปแล้วในภพที่เกิดทั้งหลายว่าสาวกชื่อโน้นเกิดในภพชื่อโน้นสาวกชื่อโน้นเกิดในภพชื่อโน้นธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นหลัก มีพระผู้มีพระภาคเป็นผู้นำมีพระผู้มีพระภาคเป็นที่พึ่งชอบแล้วพระพุทธเจ้าค่าขอพระผู้มีพระภาคทรงโปรดอธิบายเนื้อความแห่งพระพาสิทธินี้ให้แจ่มแจ้งเถิดภิกษุทั้งหลายได้ฟังคำอธิบายของพระผู้มีพระภาคแล้วจากทรงจาไว้พระพุทธเจ้าค่าอนุรุท ธ, ธะตถาคตจะพยากรณ์สาวกทั้งหลายผู้ล่วงลับไปแล้วในภพที่เกิดทั้งหลายว่า สาวกชื่อโน้นเกิดในภพโน้นสาวกชื่อโน้นเกิดในภพโน้นเพื่อให้คนเกิดความพิศวงก็หามิได้เพื่อเกลี้ยกล่อมคนก็หามิได้เพื่ออนิสงค์คือลาบสักระและความสรรเสริญก็หามิได้หรือด้วยความประสงค์ว่าคนจงรู้จักเราด้วยเหตุนี้ก็หามิได้อนุรุทธะกุลบุตรผู้มีศรัทธามีความยินดีมาก มีความปราโมทมากมีอยู่คุณบุตรเหล่านั้นได้ฟังคำอธิบายนั้นแล้วจะน้อมจิตไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อสุขแก่คุณบุตรเหล่านั้นตลอดกาลนาน การอยู่อย่างผาสุก ข, ของภิกษุอนุรุทธะภิกษุในธรรมวิันนี้ได้ฟังว่าภิกษุชื่อนี้มรณภาพแล้วได้รับพยากรณ์จากพระผู้มีพระภาคว่าท่านรูปนั้นดำรงอยู่ในอรหัตผลภิกษุนั้นได้เห็นเองหรือได้ฟังมาว่าท่านรูปนั้นเป็นผู้มีศีลอย่างนี้ท่านรูปนั้นเป็นผู้มีธรรมอย่างนี้ ท่านรูปนั้นเป็นผู้มีปัญญาอย่างนี้ท่านรูปนั้นเป็นผู้มีวิหารธรรมอย่างนี้ท่านรูปนั้นเป็นผู้หลุดพ้นแล้วอย่างนี้ภิกษุนั้นเมื่อระลึกถึงศรัทธาศีลสุตะจาระและปัญญาของท่านรูปนั้นก็จะน้อมจิตไปเพื่อศรัทธาเป็นต้นนั้นการอยู่อย่างพาสุกย่อมมีแก่ภิกษุด้วยประกา ร, รช น, นีแลภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้ฟังว่า ภิกษุชื่อนี้มรณภาพแล้วได้รับพยากรณ์จากพระผู้มีพระภาคว่าท่านรูปนั้นเป็นโอปปาติกะเพราะโอรัมภากิยาสองโยชห้าประการสิ้นไปจากปรินิพานในภพนั้นไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอีกภิกษุนั้นได้เห็นเองหรือได้ฟังมาว่าท่านรูปนั้นเป็นผู้มีศีลอย่างนี้เป็นผู้มีธรรมอย่างนี้เป็นผู้มีปัญญาอย่างนี้ เป็นผู้มีวิหารธรรมอย่างนี้ท่านรูปนั้นเป็นผู้หลุดพ้นแล้วอย่างนี้ภิกษุนั้นเมื่อระลึกถึงศรัทธาศีลสุตะจาคะและปัญญาของท่านรูปนั้นก็จะน้อมจิตไปเพื่อศรัทธาเป็นต้นนั้นการอยู่อย่างพาสุกย่อมมีแก่ภิกษุด้วยประการชนนี้แลภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้ฟังว่าภิกษุชื่อนี้มรณภาพแล้ว ได้รับพยากรณ์จากพระผู้มีพระภาคว่าท่านรูปนั้นเป็นสกทาคามีเพราะสังโยชน์สามประการสิ้นไปและเพราะราคะโทสะโมหะเบาบางจะกลับมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวแล้วจะทําที่สุดแห่งทุกข์ได้ภิกษุนั้นได้เห็นเองหรือได้ฟังมาว่าท่านรูปนั้นเป็นผู้มีศีลอย่างนี้เป็นผู้มีธรรมอย่างนี้เป็นผู้มีปัญญาอย่างนี้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 อยู่ยังพาสุขของภิกษุณีอนุรุทธะภิกษุณีในธรรมวินัยนี้ได้ฟังว่าภิกษุณีชื่อนี้มรณภาพแล้วได้รับพยากรณ์จากพระผู้มีพระภาคว่าน้องหญิงนั้นดำรงอยู่ในอรหัตผลภิกษุณีนั้นได้เห็นเองหรือได้ฟังมาว่าน้องหญิงนั้นเป็นผู้มีศีลอย่างนี้น้องหญิงนั้นเป็นผู้มีธรรมอย่างนี้ น้องหญิงนั้นเป็นผู้มีปัญญาอย่างนี้น้องหญิงนั้นเป็นผู้มีวิหารธรรมอย่างนี้น้องหญิงนั้นเป็นผู้หลุดพ้นแล้วอย่างนี้ภิกษุนีนั้นเมื่อระลึกถึงศรัทธาศีล ส, สุตะจาคะและปัญญาของน้องหญิงนั้นก็จะน้อมจิตไปเพื่อศรัทธาเป็นต้นนั้นการอยู่อย่างพาสุกย่อมมีแก่ภิกษุณีด้วยประการชนนี้แล ภิกษุณีในธรรมวินัยนี้ได้ฟังว่าภิกษุณีชื่อนี้มรณภาพแล้วได้รับพยากรณ์จากพระผู้มีพระภาคว่าน้องหญิงนั้นเป็นโอปปาติกะเพราะโอรัมพากิยะสองโยตหาประการสิ้นไปจากปรินิพานในภพนั้นไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอีกภิกษุณีนั้นได้เห็นเองหรือได้ฟังมาว่าน้องหญิงนั้นเป็นผู้มีศีลอย่างนี้ น้องหญิงนั้นเป็นผู้มีธรรมอย่างนี้น้องหญิงนั้นเป็นผู้มีปัญญาอย่างนี้น้องหญิงนั้นเป็นผู้มีวิหารธรรมอย่างนี้น้องหญิงนั้นเป็นผู้หลุดพ้นแล้วอย่างนี้ภิกษุณี น, นั้นเมื่อระลึกถึงศรัทธาศีลสุตะจาคะและปัญญาของน้องหญิงนั้นก็จะน้อมจิตไปเพื่อศรัทธาเป็นต้นนั้นการอยู่อย่างผาสุกย่อมมีแก่ภิกษุณีด้วยประการชนิ แ, แล ภิกษุณีในธรรมวินัยนี้ได้ฟังว่าภิกษุณีชื่อนี้มรณภาพแล้วได้รับพยากรณ์จากพระผู้มีพระภาคว่าน้องหญิงนั้นเป็นสกาทาคามีเพราะสังโยษสานประการสิ้นไปและเพราะราคะโทสะโมหะเบาบางจะ ก, กลับมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวแล้วจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ภิกษุณีนั้นได้เห็นเองหรือได้ฟังมาว่าน้องหญิงนั้นเป็นผู้มีศีลอย่างนี้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 เป็นผู้มีปัญญาอย่างนี้เป็นผู้มีวิหารธรรมอย่างนี้น้องหญิงนั้นเป็นผู้หลุดพ้นแล้วอย่างนี้พิสุณีนั้นเมื่อระลึกถึงศรัทธาศีล ส, สุตะจาะคะและปัญญาของน้องหญิงนั้นก็จะน้อมจิตไปเพื่อศรัทธาเป็นต้นนั้นการอยู่อย่างพาสุกย่อมมีแก่พิษุณีด้วยประการศะะนี้แล อยู่อย่างภาสุก ข, ของอุบาสกอนุรุทธะอุบาสกในศาสนานี้ได้ฟังว่าอุบาสกชื่อนี้ตายแล้วได้รับพยากรณ์จากพระผู้มีพระภาคว่าท่านผู้นั้นเป็นโอปปาติกะเพราะโอรัมภาคิยะสังโยชน้าประการสิ้นไปจากปรินิพานในภพนั้นไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอีกอุบาสกนั้นได้เห็นเองหรือได้ฟังมาว่า ท่านผู้นั้นเป็นผู้มีศีลอย่างนี้ท่านผู้นั้นเป็นผู้มีธรรมอย่างนี้ท่านผู้นั้นเป็นผู้มีปัญญาอย่างนี้ท่านผู้นั้นเป็นผู้มีวิหารธรรมอย่างนี้ท่านผู้นั้นเป็นผู้หลุดพ้นแล้วอย่างนี้อุบาสกนั้นเมื่อระลึกถึงศรัทธาศีลสุตะจาคะและปัญญาของท่านผู้นั้นก็จะน้อมจิตไปเพื่อศรัทธาเป็นต้นนั้นการอยู่อย่างพาสุขย่อมมีแก่อุบาสก ด้วยประการะช่นนี้แลอุบาสกในศาสนานี้ได้ฟังว่าอุบาสกชื่อนี้ตายแล้วได้รับพยากรณ์จากพระผู้มีพระภาคว่าท่านผู้นั้นเป็นสกทาคามีเพราะสังโยษสานประการสิ้นไปและเพราะราคะโทสะโมหะเบาบางจะกลับมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวแล้วจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้อุบาสกนั้นได้เห็นเองหรือได้ฟังมาว่า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 อยู่อย่างผาสุก ข, ของอุบาสิกาอนุรุตธะอุบาสิกาในศาสนานี้ได้ฟังว่าอุบาสิกาชื่อนี้ตายแล้วได้รับพยากรณ์จากพระผู้มีพระภาคว่าน้องหญิงนั้นเป็นโอปปาติกะเพราะโอรัมภาคียะสังโยชน้าประการสิ้นไปจากปรินิพานในภพนั้นไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอีกอุบาสิกานั้นได้เห็นเองหรือได้ฟังมาว่า น้องหญิงนั้นเป็นผู้มีศีลอย่างนี้เป็นผู้มีธรรมอย่างนี้เป็นผู้มีปัญญาอย่างนี้เป็นผู้มีวิหารธรรมอย่างนี้น้องหญิงนั้นเป็นผู้หลุดพ้นแล้วอย่างนี้อุบาสิกานั้นเมื่อระลึกถึงศรัทธาศีล ส, สุตะจาระและปัญญาของน้องหญิงนั้นก็จะน้อมจิตไปเพื่อศรัทธาเป็นต้นนั้นการอยู่อย่างพาสุย่อมมีแก่อุบาสิกาด้วยประการฉนนี้แล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 อุบาสิกาชื่อนี้ตายแล้วได้รับพยากรณ์จากพระผู้มีพระภาคว่าน้องหญิงนั้นเป็นโสดาบันเพราะสังโยษสานประการสิ้นไปเป็นผู้ไม่มีทางตกต่ํามีความแน่นอนที่จะสําเร็จสมโพธิในวันข้างหน้าอุบาสิกานั้นได้เห็นเองหรือได้ฟังมาว่าน้องหญิงนั้นเป็นผู้มีศีลอย่างนี้น้องหญิงนั้นเป็นผู้มีธรรมอย่างนี้น้องหญิงนั้นเป็นผู้มีปัญญาอย่างนี้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 ตถาคตพยากรสาวกทั้งหลายผู้ล่วงลับไปแล้วในภพที่เกิดทั้งหลายว่าสาวกชื่อโน้นเกิดในภพโน้นสาวกชื่อโน้นเกิดในภพโน้นเพื่อให้คนเกิดความพิศวงก็หามิได้เพื่อเกลียกล่อมคนก็หามิได้เพื่ออนิสงค์คือลาบสักระและความสรรเสริญก็หามิได้หรือด้วยความประสงค์ว่าคนจงรู้จากเราด้วยเหตุนี้ก็หามิได้ อนุรุทธะคุลบุตรผู้มีศรัทธามีความยินดีมากมีความปราโมทมากมีอยู่คุลบุตรเหล่านั้นได้ฟังคำพยากรณ์นั้นแล้วจะน้อมจิตไปเพื่อศรัทธาเป็นต้นนั้นข้อนั้นย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อสุขแก่คุลบุตรเหล่านั้นสิ้นกาลนานพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาสิทธินี้แล้วท่านพระอนุรุทธะมีใจยินดี ชื่นชมพระพาสิทธ์ของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลนรลกะปานสูตรที่8ดจบ